นัติกำ ม, มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้ก็มาเล่าถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของลุงบุญหลายลุงบุญหลเนี่ยอายุ ป, ป่าเข้าไปตั้งห้าหสิบแล้ว คนส่วนใหญ่ใช้คำนำหน้าเรียกแกว่าลุงคนย่านละแวกนั้นหลายหมู่บ้านนั้นไม่มีใครไม่รู้จักแกงานหลักของลุงบุญหลายก็คือการทำนาทำไร่เหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไปนอกจากงานด้านไร่นาที่ทำเป็นอาชีพหลักแล้วลุงบุญหลายก็ยังรับจ้างทั่วไปอีกเป็นคนขยันหนักก็เอาเบาก็ตู้อยู่ตลอดเวลา งานทุกอย่างที่เขาว่าจ้างก็คือหน้าที่ซึ่งแกรับผิดชอบขออย่างเดียวให้เป็นงานสุจริตควรทําแกไม่หวันดังนั้นอ่าที่จริงลุงบุญหลายเป็นครอบครัวเร่ร่อนมาก่อนที่จะมาปักหลักอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ครอบครัวแกมีทั้งหมดหกคนมีลุงบุญหลายมีป้านวลแล้วก็ลูกๆอีกสี่คนก็อย่างที่บอกก็แหละลุงแกเร่ร่อนมาจากถิ่นอื่นมาอาศัยที่ดิน ของตะคงซึ่งเป็นญาติห่างๆเป็นที่ปลูกเรือนอยู่ปีนั้นเป็นวันขึ้นส5บห้าข้ามเดือนสิบชาวบ้านเขามีงานบุญประเพณีข้าวประดับดินก็คงจะเป็นคล้ายๆกับประเพณีชิงเปรตของทางใต้อ่ะแหละชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรผู้ลวงลับไปแล้ววันนี้หากว่ากันตามประเพณีแล้วชาวบ้านจะลดละการทบาบาปทั้งปวง เพื่อเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติที่จากไปก็จะได้รับผลบุญเต็มที่ทุกคนดูจะยังเคร่งครัดกันอยู่ยกเว้นลุงบุญหลายคนที่ลมหายใจเข้าออกมีแต่งานกับรายได้เนี่ยเป็นนิสัยของแกคนอื่นเขาตะเตรียมข้าวของเครื่องยธยทานไปวัดกันแต่ลุงบุญหลายกลับเตรียมเบ็ดไปลงเหยื่อลอกกบตัวโตที่ทุ่งนาข้างกำแพงวัดของหมู่บ้าน วันนั้นพระจันทร์เต็มดวงเงาร่างของลุงบุญหลายเดินวนอยู่รอบๆ บ, บริเวณที่ลงเบ็ดล่อกรบเอาไว้หลายเที่ยวเพื่อเปลี่ยนเหยื่อล่อคืนนั้นจะได้กบตัวเป้งๆมาหลายสิบตัวทีเดียวนําไปขายในหมู่บ้านหรือถ้าหากว่ามันเยอะเกินไปก็จะนําไปขายในตลาดสดที่ตัวเมืองเลยทีเดียวคืนนี้ดูเหมือนมันจะติดพันมาจากคืนก่อนๆผิดแต่ว่ามันเป็นวันพระที่คน รุ่นอายุเท่ากับลุงบุญหลายนี่หันหน้าเข้าวัดถือศีลอุโบสถกันแล้วดึกหน่อยเสียงย่ำเท้าของแก่ก็เดินผ่านหน้าบ้านคุณไพโรธที่เล่าเรื่องเนี้ยคุณไพโรธก็ได้ยินเสียงกบรอ้องอ่าคุณไพโรธก็รู้ว่าพวกมันหมดสิ้นอิสระภาพแล้วเพราะว่าถูกลุงบุญหลายจับมาแล้วลุงวันพระลุงยังจับกบอีกเหรออ้าวแล้วไงต่อวะ ไม่กลัวบาปหรือลุงจับสัตว์วันพระวันเจ้าเอ้อลุงไปจับกระลุงมาล่ะเอา้าก็ลุงกลับมาแล้วจะไปจับได้ไงเอา้าขอไปจับที่บ้านข้าสิเว้ยแม่ลุงบุญหลายแกเล่นสำนวนคุณไพโรธก็กระโจนลงบ้านตามหลังลุงบุญหลายไปติดๆ ต, ตามมาจนกระทั่งมาถึงบ้านแกแกเทกบออกจากตะข้องมีตะกบตัวโ ต, ว ต, ว ต, วตวอ้วนพีทั้งนั้นเลย มันกระโดดหนีไม่ได้เพราะว่าขาหลังทั้งสองข้างของพวกมันทั้งหมดถูกลุงบุญหลายหักกระดูกมันก็เลยกระโดดไปไหนไม่เป็นแล้วอู้ลุงไปเอามาจากที่ไหนอะเยอะแยะเลยอะอกดทุ่งนาหลังวัดนี่แหละแล้วทำไงอะกดลงเบ็ดนะดิเพราะว่าทุ่งนาใกล้วัดไม่ค่อยมีใครกล้าไปลงเบ็ดจับกบจับปลาเพราะว่ามันใกล้ป่าชาเผาผีด้วย แต่เวลาจะเอาไปขายจะไปบอกคนซื้อเขาได้ยังไง ร, รางว่าได้กบมาจากทุ่งนาใกล้ป่าช้าหลังวัดจะใครเขาจะกินนะก็จริงอย่างที่ลุงบุญหลายว่าคนในหมู่บ้านก็ตั้งแง่รังเกียจกันไปเองว่าของที่มาจากป่าช้าเนี่ยมันน่าขยะขยงบางคนก็ขนพองสยองกล้าวกลัวจะไปจับเอากบผีครับกลัวพวกกบอืมที่มันไปกินเศษกระดูกผีเขาบางังอ่าแล้วไหนเบ็ดนะลุง คือคุณไพโรธเนี่ยเห็นแต่กบไม่เห็นลุงบุญหลายถือเบ็ดมาด้วยเลยสักคันพรุ่งนี้เช้าข้าค่อยไปกู้ผมไปได้คนดิได้แต่เองต้องไปบอกพ่อแม่เองก่อนนะอุ้ยผมโตแล้วนะนะคุณไพโรธนะทวงเพราะไม่ใช่เด็กตัวเป็กๆแต่ที่จะไปไหนกับลุงบุญหลายที่ไรต้องแจ้งกับบ้านไปรายงานพ่อขออนุญาตแล้วค่อยไปได้ถึงเองจะโตวันนี้ก็ต้องบอกทําไมอ่ะลุง เองก็รู้นี่ว่าปรุงนี้วันพระเองไปกระฆาเนี่พ่อแม่รู้เดี๋ยวมาตำหนิค่ะทีหลังว่าชักจวนเองไปทำบาปอีกลุงบุญหลายแกรอบคอบคุณไพโรธก็เลยต้องทำตามแต่ตอนไปขอกับพ่อกับแม่นะ่ะไม่ได้บอกเล้ ว, ว่าจะไปกู้เบ็ดจับกบกับลุงบุญหลายบอกเพียงว่าจะออกไปทุ่งนาตั้งแต่เช้ากับลุงบุญหลายวันนั้นไปถึงที่กู้คันเบ็ดนะ่ะสว่างโจ่งแล้ว ลุงบุญหลายก็เก็บกู้คันเบ็ดมีกบติดเบ็ดหลายตัวเวลาเดินไปใกล้มันมันพยายามจะกระโดดหนีหยองหยังหยองหยั ง, ยงแต่มันจะหนีไปได้ยังไงในเมื่อปากขามันยังติดสายเบ็ดอยู่ได้กบมาหลายตัวเหมือนกันเสียงมันร้องมันดิ้นอยู่ในตะข้องลุงบุญหลายสะพายขึ้นบา่าคุณไพโรธก็ทำหน้าที่ถือคันเบ็ดเดินตามหลังลุงบุญหลายทั้งสองก็ก้มหน้าสนใจอยู่แต่เบ็ดกระกบเท่านั้นเองจนกระทั่งการกู้เบ็ดจวนจะหมดแล้ว ทั้งคุณไพโรธและลุงบุญหลายก็ต้องสะดุ้งเมื่อหันไปข้างหน้าอ้าวเอยพระจะมาทำอะไรที่นี่แต่เช้าเชีว่านี่ลุงบุญหลายเอ่ยขึ้นมาลอยลอยทำให้มองไปทางนั้นลุงบุญหลายหยุดกู้แบบที่เหลือเพราะเจอพระเดินเข้าไปหาโดยมีคุณไพโรธตามหลังไปติดติอ้าวอาจารย์ทองเลย เดินเข้าไปใกล้ถึงรู้ว่าพระภิกษุรูปนั้นไม่ใช่พระมาจากไหนเป็นสมภารวัดที่บ้านนั่นแหละพระอาจารย์มาทําอะไรแต่เช้าเชียวครับหลุงบุญหลายก็นั่งยองๆพนมมือว่าอย่างนอบน้อม ท, ทั้งที่ตะข้องใส่กบสภาอยู่บนบ่าอาตมาได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือก็เลยเดินมาดูอไม่เห็นมียนี่ครับอาตมาไม่รู้สิ เสียงขอร้องอ้อนวอนมันบอกถึงความเจ็บปวดทรมานมากด้วยแต่พอมาถึงก็เห็นแต่กบพวนี้แหละมันคงจะขอร้องให้อาตมาช่วยขอบินทบาทชีวิตพวกเขาจากโยมหลายให้ทีระมัง้งอุ้ยอาจารย์ก็พูดเป็นเล่นไปได้กบที่ไหนมันจะพูดภาษาคนเป็นก็สังเกตดูสิโยมมันบาดเจ็บมันก็พยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อจะหลุดจากสิ่งพันธนาการ สองขาหน้ามันปัดป่ายสายเบ็ดเพื่อให้มันหลุดออกจากปากมันพระอาจารย์ทองท่านก็นชี้มือไปที่กอบตัวหนึ่งที่ถูกเบ็ดเกี่ยวติดปากอยู่อ่านะมันคงจะเกรงกลัวความตายมันคงจะอ้อนวอนขอความเห็นใจจากเราอยู่สัตว์ทุกชนิดย่อมรักหวงแหนชีวิตของมันไม่แพ้เราหรอกโยมอืมหลวงพ่อครับ ผมว่หลงพ่อรีบกลับเข้าวัดดีกว่าญาติโยมคงจะรอท่านอยู่อะมันคือคำไล่อย่างที่ผู้ดีเขาทำกันซึ่งพระอาจารย์ทองท่านก็คงจะเข้าใจความหมายท่านก็หันหลังเดินกลับอย่างสงบสังเทียมลุงบุญไหลก็ บ, บน อ, อุบอิบอุบอิบรับหลังพระโอ้ต้องเสียเวลาพอพระจริงจริงอกบมันก็เป็นได้แค่กบบนยังขําแหละมันจะเป็นอะไรไปได้ แ, แล้วลุงบุญหลายก็ลงไปปลดกบตัวนั้นออกจากเบ็ดจะเป็นเพราะลุงบุญหลายเผลอเนื่องจากคุยกะหลวงพ่อเมื่อสักครู่ขณะปลดกบจากเบ็ดก็เลยลืมหักขามันพอปากเขามันได้รับอิสระเท่านั้นกบตัวนั้นก็รวบรวมพลังใช้ขาหลังยันอุ้งมือลุงบุญหลายพุ่งตัวเองออกจากอุ้งมือโอ้ยใจเวนเลยลุงบุญหลายร้องลั่นเลยเมื่อฝ่ามือของแกถูกอุ้งเล็บคมๆของกบตัวนั้นข่วนจนเกิดเป็นแผลเลือดไหลซิกซิก แม่เจอพระแต่เช้านี่กูทำบาปไม่ขึ้นจริงๆลงบุญหลายบ่นอย่างอารมณ์เสียไม่รู้สาเหตุว่ามาจากพระหรือมาจากกบทำร้ายได้รับบาดแผลแถมกบตัวนั้นมันดันกระโดดหนีไปได้อีกตั้งหากก่อนที่แกจะเร่งกู้เบตที่เหลือแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านนำกบมาจัดการทั้งทำกินแล้วก็เอาไปขายเจอพระแต่เช้านี่มันทาบาปไม่ขึ้นจริงๆโอ้แย่เว้ แกบ่นอย่างอารมณ์เสียแต่แล้วเพียงแค่สิบ้าวันผ่านเท่านั้นลุงบุญหลายก็เกิดอาการแปลกประหลาดชนิดที่คุณไพโรธไม่คาดคิดมาก่อนเมื่อมีชาวบ้านลือกันแซดว่าบ้านลุงบุญหลายเกิดปั่นป่วนกันทั้งบ้านเนื่องจากลุงบุญหลายเกิดอารวาสไม่ว่าจะทําอะไรแกก็เกลียวกราดใส่ไปทั้งหมดอาการผิดปกติของลุงบุญหลายครั้งนี้ไม่เคยมีมาก่อน ก็เลยทำให้ปันนวลและลูกๆอกสั่นขวัญหายไปตามๆกันหยิบจับอะไรไม่ถูกเลยอ่าลูกสาวแกดึงเอาแขนน้องๆเข้าห้องปิดประตูลงกรอนปลอบน้องๆให้เข้าห้องเงียบเจียวส่วนปันนวลนนะักโขลกน้ำพริกในครัวหยิบถ้วยจะมาใส่น้ำพริกแม่กรรมจริงๆถ้วยใบนั้นดันหลุดมือกระทบพื้นแตกกระจายอีนวลมึงแกล้งทุบถ้วยทุบชามกระทบกูเหรอเปล่าเปล่าจะพี่ พี่หลายฉันจะเอาถ้วยมาใส่น้ําพริกมันก็เลยหลุดมือน้ําพริกหกแล้วกูจะกินอะไรถ้วยมันมันเป็นถ้วยเปล่ า, ล า, ลาจะน้ําพริกยังอยู่ดีแล้วงั้นมึงรีบยกออกมาเลยกูยิ่งหิวหิวอยู่จ้าจ้จ้อีเวนเอ้ยกับข้ามึงมีแค่น้าพริกถ้วยเดียว่ผักจะจิ้มก็ไม่มีหรือจะกินก็ไปได้ยังไงเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่น่าจะลุกลามได้ก็ ก, ากลายเป็นเรื่องใหญ่ลุงบุญหลายโวยวา ย, วา ย, วายล้านบ้านจะฆ่าจะแกงคนในบ้านกันให้ได้ มีคนไปตามตักคงคนที่ลุงบุญหลายเกรงใจอยู่บ้างแต่ตะคงก็ไปรักษาศีลที่วัดส่วนคุณไพโรจน์น่ะไม่กล้าไปยุ่งอ่ะแกตาวาดอย่างบ้าคลั่งแค่ปนวนไม่มีผักมาจิ้มน้ําพริกก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องใหญ่ได้เพื่อนบ้านก็สายหน้าไปมาอย่างสังเวชใจเออลูกๆ ก, ก็ทํางานมีหน้ามีตาพ่อดันมาพานเป็นบ้าไปได้แกควงมีดปลายแหลมคมกริบเลย หากเป็นสมัยทิติะรับรองลุงบุญหลายเข้าขายกำลังเมายาบ้านแน่ทุกคนที่เห็นต่างก็ว่าเสียวไปตามกันเพราะว่ามีดคมกริปที่แกถืออยู่ในมือนั่นมันเป็นอาวุธอันตรายเดี๋ยวกูจะไปเก็บยอดกระถินหน่อยเออค่อยลงใจไปหน่อยที่เห็นลุงบุญหลายควงมีดไปนะ่ะไม่ได้คิดจะไปแทงใครแต่จะเอามีดไปตัดกิ่งต้นกระถินเพื่อจะนำยอดอ่อนมันมาจิ้มกับน้าพริก เส the ียงโวยวายเขาลุงบ so ุญหลายทําให้คุณไพโรธไม่กล้าเข้าไปอยู่ใกล้แต่ก็ยังอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเปิดหน้าต่างช่องอกหน้าไปดูเห็นลุงบุญหลายกําลังปีนป่ายขึ้นไอ้ต้นกระถินต้นใหญ่จะเก็บยอดแล้วก็ผักอ่อนไปจิ้มน้ําพริกแต่แล้วคุณไพโรธก็ต้องอ้าปากค้างหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเพราะว่ากิ่งกระถินที่เป็นไม้เนื้ออ่อนอยู่แล้ว มันทานน้ำหนักของร่างลุงบุญหลายไม่ไหวหักโครมพร้อมกระร่างลุงบุญหลายร่วงพลอยลอยละรลี้ยวจากยอดไม้สู่เบื้องร่างเสียงโอ้์อ่าลุงบุญหลายร้องแต่ร้องไม่เป็นเสียงคนแต่ดันไปคล้ายกับเสียงร้องของกบมันแปลกประหลาดเหลือเกินที่ร่างของลุงไม่หล่นลงกระแทกพื้นทันทีหากแต่ห้อยตงเตงเท้าทั้งสองอยู่เหนือพื้นประมาณศอกหนึ่ง สเท้าลุงบุญหลายดิ้นเร้าเร า, าสองมือปัดป่ายไปที่ปากตัวเองคล้ายๆจะอยากจะดึงอะไรบางอย่างออกจากบริเวณนั้นก็จะไม่ให้แกทําอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับในเมื่อปากของแกถูกกิ่งไม้ที่หักทิ่มเข้าไปในปากเลือดแดงฉานพุ่งกระฉุดไม่น่าเราเสียงร้องของแกถึงฟังเหมือนเสียงกบร้องเพราะว่ามันไม่ถนัดเนื่องจะว่ามีอะไรไปจกอยู่ในปากนั่นเอง มันหน้าว่าเสียวแค่ไหนไม้ที่ทิ่มก็้ามาในปากลุงบุญหลายนี่มันทะลุออกมาทางลูกตาใครก็ว่าถ้าทางลุงบุญหลายต้องตายแน่พยายามนําร่างลุงลงจากต้นไม้แม้มันจะทุรักทุเลไม่หยอ ก, กว่าจะนําตัวลงมาได้ลุงบุญหลายร้องโอดโอยเป็นเสียงกบยักระทั่งออกอาการเหนื่อยอ่อนแล้วก็เงียบไปแกหมวดสติก่อนนําส่งโรงพยาบาลใครๆก็ว่ายัางไงซะลุงบุญหลายคงหมดบุญแน่คราวนี้แหละ ขณะที่ลุงบุญหลายโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีซ่อนอยู่ปรากฏว่าหมอช่วยรักษาอาการบาดเจ็บเยียวยาอยู่นานแรมเดือนนั่นแหละลุงบุญหลายถึงได้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านคนมั่นนอกเนี่ดีอยู่อย่างหนึ่งเกิดอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันเหมือนหนึ่งเป็นญาติพี่น้องกันโดยแท้พอเพื่อนบ้านทราบว่าลุงบุญหลายออกจากโรงหมอก็ต่างมาเยี่ยมเยียนมาถามอาการด้วยความเป็นห่วงในบรรดาผู้ที่มาเยี่ยมเยียนดูอาการนั้นก็มีพระาจารย์ทอง สมภารที่วัดมาด้วยพอลวงบุญหลายเจอพระอาจารย์ทองแ ก, ก่ก็ลุกขึ้นนั่งคุกเขา่าอ่าก้มกราบท้าพระอาจารย์ออแออบอลวงบุญหลายพยายามจะกล่าวอะไรกับท่านสมภารไม่ทราบแต่คําพูดของแกไม่มีใครรู้เรื่องเออเออเอาละ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องพูดรอกโยมอาตมาเข้าใจเออไพโรด ถ, ถามหน่อยเถอะวันนั้นฮนะเอ่า โยมหลายปล่อยกบตัวนั้นหรือเปล่าพระอาจารย์ทองาหันมาถามมูลไพโรธไม่ได้ปล่อยหรอกครับมันหลุดไปเองครับลุงบุญหลายอย่างบนเสียดายมันอยู่เลยครับเออมันจริงอย่างที่อาตมาคิดไว้กบตัวนั้นมันรอดตายได้อย่างปาฏิหารนะออการรอดตายของกบตัวนั้นมันส่งผลดีมาให้โยมบุญหลายรอดตายแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะออพระอาจารย์ทราบนะครับ ไม่ทราบหรอกหากแต่จะว่าด้วยแรงอาฆาตของกบมันก็เป็นผลนดยมบุญหลายได้รับกรรมไม่ต่างจากกบที่มันติดเบ็ดอัตมาไม่ได้ส้ำเติมนะแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่ากรรมมันทันตามีจริงๆไม่ใช่เรื่องโกหกพระอาจารย์ทองกล่าวทิ้งท้ายขณะที่ทุกคนในที่นั้นต่างก็นิ่งเงียบมีเพียงลุงบุญหลายเท่านั้นที่นอนราบกับที่นอนยกมือพนมไหว สองแก้มตอบตอบพ้องแก้มมีน้ำใสๆไหลอาบลงมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างอย่างคนสำนึกผิดครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับมีบ้านของจินดาสาวสวยประจำหมู่บ้านเนี่ยบ้านนี้มีอาชีพเลี้ยงกบขาย ที่บ้านก็มีพ่อมีแม่แล้วก็น้องชายอีกคนหนึ่งชื่อจิตติปีนี้กบราคาดีขายได้เงินเยอะกว่าทุกปีก็คิดว่าสิ้นปีจะบวชลูกชายก็คือจิตติซึ่งเป็นน้องของจินดาพ่อก็บอกให้จิตติเนี่ยท่องบทสวดมนต์ให้ได้จิตติก็บอกง่ายหลังจากให้อาหารกบเสร็จก็จะมานอนที่เพลยวนอ่านบทสวดจนหลับ จินดาก็ช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างแต่ว่าจินดานี่เกลียดแล้วก็ไม่ชอบกบเลยความที่พ่อแม่เป็นคนประหยัดก็มักจะจับกบมาให้จินดาทำอาหารจินดาก็จาใจต้องทำแต่ว่าตัวจินดาก็จะทอดไข่กินแล้วก็ไม่กินกบจินดาเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อปัญญามาชอบพอคิดว่าบวชจิติน้องชายเสร็จปีหน้าก็จะแต่งงานกัน ที่บ้านในปัญญานี่เขาทำสวนกล้วยไม้จินดาก็ไฝ่ฝันที่จะออกเรือนไปเร็ ว, รวจะได้ผลจากการเลี้ยงกบปีนี้อากาศร้อนมากที่บ้านจินดาต้องอาบน้ำคนละสองสรอบพัดลมก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากมายเสร็จแล้วอยู่ๆพ่อก็มีอาการแปลกๆคือกินข้าวไม่ลงนั่งขอแข็งกลืนน้ำก็ลําบากเอานมมาให้กินก็ดูดนมจากกล่องได้เพียงเล็กน้อย พาไปหาหมอหมอก็ตรวจไม่เจออะไรก็ให้แต่ยาบำรุงมากินก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอีกไม่กี่วันพ่อก็มีอาการประหลาดร้องโอ๊บๆอบไม่ยอมเดินแต่ว่าโดดเหมือนกบเห็นแมลงอะไรก็จะจับกินทุกคนก็ลงความเห็นว่าพ่อเนี่ยเป็นโรคประสาทก็เลยพาไปหาหมอจิตเวชหมอบอกว่าพ่อนะฝังจิตฝังใจกระ ก, กบมากเกินไป กินดาก็คิดว่าจริงเพราะว่าปีนี้ขายกบได้เงินมากกว่าทุกปีพ่อทําบ่กบเพิ่มอีกสามบอ่อปล่อยลูกกบชุดใหม่เสร็จพ่อก็ป่วยที่บ้านก็เลยต้องทําที่ขังพ่อที่ชั้นล่างของบ้านเอาลูกกรงมากันไม่งั้นพ่อจะกระโดดไปทั่วกลัวจะตกน้ําตกท่าแล้วพ่อจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะว่าพ่อเลอะเลือนจําอะไรไม่ได้แล้ว หมอก็ให้ยาแก้โรคประสาทมาแล้วก็ยานอนหลับพ่อก็จะได้หลับนานข้าบปลาก็พอจะกินได้บ้างแต่เวลาพ่อตื่นพ่อจะร้องเรียนเสียงกบโอบๆ อ, อ, อ, อยู่ตลอดโดดไปโดดมาขย่าวกลงจะออกข้างนอกกลางคืนครลางคืนจิตติก็ต้องมาสมไฟไล่ยุงเอาแคร่มานอนเป็นเพื่อนพ่อที่ชั้นล่างกางมุงให้พ่อไม่ได้พ่อจะฉีกมุงทิ้งหมด ญาติและเพื่อนบ้านก็มาเยี่ยมมาดูทุกคนก็สงสารพ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนนิสัยดีไม่น่าจะบ้าเลยบางคนก็บอกให้แม่เลิกเลี้ยงกบแม่ก็บอกว่าเลิกแล้วจะไปทำอะไรกินที่ดินก็มีอยู่นิดเดียวตอนนี้ก็ทำบ่อปูนเลี้ยงกบไปสิบบ่อก็หมดเนื้อที่แล้วลูกๆ ก, ก็เรียนแค่พออ่านออกเขียนได้จะไปทำกินอะไรอย่างมากก็ต้องไปรับจ้างเป็นกุลีเป็นขี้ข่าเขา ที่พ่อเป็นแบบนี้ก็เพราะกรรมของพ่อแม่ว่าอย่างนั้นตกลงปีนี้จิตติก็ไม่ได้บวชเพราะห่วงพ่อแม่และพี่สาวส่วนปัญญาแฟนของจินดาก็เลยมาสู่ขอจินดาแล้วก็แต่งกันแบบง่ายๆบอกแต่เพื่อนและญาติสนิทเพียงไม่กี่คนความหวังที่จินดาจะได้ไปอยู่ที่บ้านปัญญาไปทําสวนกล้วยไม้ก็ต้องสลายไปเพราะว่าตัวปัญญาเองต้องมาอยู่บ้านจินดามาช่วยเลี้ยงกบ เพราะปีถัดไปจิติอยากจะบวชปัญญาก็ต้องนอนเฝ้าพ่อตาแต่งงานได้สามเดือนจินดาก็ท้องทุกคนก็ดีใจช่วงแพ้ท้องนี่จะเหม็นข่าวกบมากอเจียนหนักทุกวันไม่ได้ออกไปช่วยให้อาหารกบเหมือนเคยพอจินดาใกล้คลอดก็ได้กำหนดจับกบขาย ปรากฏว่าปีนี้ได้มากกว่าทุกปีเพราะว่าจำนวนกบมากขึ้นได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรปัญญาก็ดูเหมือนจะชอบอาชีพนี้ด้วยเพราะว่าทำกล้วยไม้ก็เคยเจ๊งเพราะโดนลมพายุกระหนำ่ำนั่งร้านที่กลางสะแลนนี่มันพังลงมาทับกล้วยไม้หักโค่นหมดอีกเดือนหนึ่งต่อมาจินดาก็คลอดลูกสาวหน้าตาหน้ารักเวลาลูกหลับเนี่เด็กจะนอนแบกแข้งแบกขาเหมือนกระกบไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไป จนลูกเข้าขวบหนึ่งลูกก็ยังไม่นั่งไม่คลานไม่ตั้งไข่ได้แต่นอนขาแบะอยู่อย่างนั้นขานั่นก็ขยับได้เหมือนเด็กปกติแต่ว่าลูกไม่มีพัฒนาการอ่าไม่มากไปกว่าการคว่ำแล้วก็นอนหงายปัญญากับจินดาก็พาลูกไปหาหมอเพื่อจะดูอาการของลูกสาวหมอก็บอกว่ากระดูกตรงสะโพก ข, ของลูกนั้นมันเล็กและกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็เลยประคองตัวให้นั่งไม่ได้ ลูกจะเดินไม่ได้จินดากับปัญญาก็เสียใจมากเมื่อไม่มีทางรักษาลูกต้องนอนและใช้เท้ากับแขนดันตัวไปข้างหน้าไม่ผิดอะไรกระสัดเลื้อยคลานทุกคนก็ปรึกษากันแม่ก็เลยตัดสินใจเลิกเลี้ยงกบขายบ้านขายที่นำเงินที่ได้ไปปลูกบ้านใหม่ในที่ดินที่ปัญญาลูกเขยนี่ได้รับส่วนแบ่งก็ขังพ่อไว้ในบ้านที่ปลูกชั้นเดียวกว้างๆสี่ห้องนอน ห้องของพ่อด้านหน้ายังต้องกั้นลูกรองเหมือนเดิมมีห้องน้ําในตัวจะได้สะดวกในการทําความสะอาดให้พ่อจิตติก็บอกแม่กับพี่สาวว่าจัดบวชตลอดชีวิตได้ไหมจะได้ทําบุญทํากุศลให้กับพ่อกับหลานด้วยทุกคนก็ไม่ขัดข้องจิตติก็กลัหัวเข้าโบสถบวชเงียบๆ บ, บอกแต่เพื่อนแล้วก็ญาติใกล้ชิดไม่กี่คนอยู่ที่บ้านปัญญาก็จะให้ลูกสาวยืนเกาะราวที่ทําไวแล้วหัดเดินทุกวันทุกวัน เป็นที่อัศจรรย์เด็กน้อยมีพัฒนาการเริ่มดีขึ้นเริ่มตั้งข่าคลานทุกคนดีใจมากคิดว่าไม่นานลูกก็จะนั่งแล้วก็เดินได้ระยะนี้พ่อก็ไม่ค่อยส่งเสียงร้องแบบกบแล้วจะเงียบลงเริ่มกินข้าวได้มากขึ้นแต่ยังโดดเหมือนกบไปรอบรอบห้องแต่พ่อเริ่มมีสติไม่ถ่ายเรียราดเหมือนเช่นเคยเข้าไปถ่ายในห้องน้ําได้เองพ่อก็เริ่มดีขึ้น จินดาก็พาพ่อรักษาต่อเนื่องอาจจะเป็นเพราะเลิกเลี้ยงกบหรือว่าแรงบุญที่พระจิตติอุทิศให้ก็ไม่อาจจะทราบได้ที่ทําให้พ่อและหลานมีอาการดีขึ้นแต่ตัวจินดานั้นเข็ดแล้วกับการเลี้ยงกบขายเข็ดกับการทําบาปกบไม่รู้กี่ล้านตัวที่พ่อเลี้ยงขายมาตั้งแต่แต่งงานกับแม่ใหม่ถึงจะทํารายได้ดีเลี้ยงลูกมาจนโตจินดาก็ไม่เอาแล้ว เธอมักจะทำบุญกรวดน้ำให้กบแล้วก็มักจะจุดธูปสิบหดอกไหว้กลางแจ้งไหว้เทวดาฟ้วดินแล้วก็ไม่ลืมจะอธิษฐานถึงกบขอบคุณที่กบทุกตัวมีบุญคุณทำให้มีอยู่มีกินขออย่าให้มีเวรต่อกันและกันอีกเลยจินดาอธิษฐานว่าอย่างนั้นครับ